สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสาลพิษปฏิกูลขณะนี้ท่านกาลังชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกข่าวนากลุ่งโดยดังตีนบ่งทั้งว่าเลี้ยงบอลข้ามแยกรัชดาลับล้าวระมงสุทธิศักดิตกกับไมที่เวอร์ซีดอนเจอชุมิสกัดบอลมากระทั้งซิดานซิานมาได้ไงโอ้เม่งจานเฮหนุ่ม32กลับมาเยี่ยมบ้านหลังทํางานที่ต่างประเทศมีเงินเดือนคิดเป็นเงินไทยตั้งเกือบ5 0,000 บาทยังอุตส่าห์ติดพนันบอลกระทั่งต้องฆ่าตัวตาย แถมตอนจะฆ่าตัวตายก็ไม่มีอาการว่าจะทำร้ายตนเองมีการเดินยิ้มผ่านหน้าเมียเข้าห้องนอนลูกสับไกปืนโป้งเข้าหน้าอกตนเองตายคาที่ทิ้งศพให้ลูกเมียวิ่งมาแบกพารา จ, จัด ก, การต่อไป็ะะ้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 เมื่อหลวมตัวถูกพลังอบายมุกดูดเข้าประตูบ่อนเพียงก้าเดียวคุณจะเริ่มหน้ามืดทีละน้อยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เจอหลุมดำดูดเข้าไปเสียงดวงกับอะไรสักอย่างด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นฝ่ายได้พวกที่ดวงกำลังจะลงเหวลึกนั้นหมักเล่นได้ง่ายหรือกระทั่งได้มากตั้งแต่เล่นตาแรกเขาจะเกิดความเชื่อผิ ด, ผดว่า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 และน่าสนใจที่นักฆ่าตัวตายในเมืองเหล่านี้เป็นพวกนักท่องเที่ยวซสไม่ใช่น้อย ก, การพานันเป็นเส้นทางไปสู่ความชั่วร้ายและการตายไม่ดีเ ช, ชื่อข่าวเถอะครับ เดียวฉันนี้ฉันน้นนี้ คุณคาจะเกินคนนั้นก็ลอยไมนได